นโัะตวโตรโตมาสัุทันโมตัสสะปะตะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะะตะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทุกขัางอริยสัจตังปริญญาอย่างปริญญาตะพันติธโมหสักจังโซตโปทีนบัดนี้มาตมาภาพจะได้พิจารณาพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องระดับสติปัญญาส่งเสริมสรัทธาความเชื่อในวิริยะก่อนภาเปลียน ของกันทั้งหลายผู้เป็นปัจการริตะให้เดินงอกงามม ย, งยิงขึ้นไปในธรรมวินัยของพระผู้มีพาะเจ้าวนั่นเป็นสีพึ่งของกันท้หลายกาะเฉลิมติลงด้วยความสงควรแต่เวลาธรรมเทศนานีิการรบหาสาลักบูชาเป็นธรรมเทศนามีภูพาประลัมดับซึ่งเอจากธรรมเทศนาที่ล่ำแล้วเมื่อตอนต้นแห่งราตรีเพื่อมีเพื่อทำความรู้ความเข้าใจอันต่อเนื่องกันเนื่องที่จะวิจารณา ในตอนนี้ก็คือเรื่องเกลียวกับความทุกข์เพราะว่าในวันอาสาลหะคุณมีนี้พระองค์ทรงแสดงคมเกี่ยวกับความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์และทางให้ขึ้นความดับทุกข์ในความสําคัญมันก็มีอยู่ในแต่ละเรื่องแล้ว่าเรื่องเบื้องต้นที่สาคัญที่สุดเลคือเรื่องความทุกข์มันเองในเดี๋ยวนี้มันไม่รู้จักความทุกข์แล้วมันจะสนใจเรื่องความดับทุกข์ไปทําไมมันไม่รู้จักความทุกข์แล้วมันจะสนใจเรื่ความดับทุกข์ได้อย่างไร แต่มานใจก็เป็นเรื่องแค่บ้าๆบาๆในชนิดหนึ่งมันก็เป็นเรื่องท่องจําไม่คูดสมักกว่ามนดูจะเป็นปัญหาอยู่มากทีเดียวที่เพราะไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์มันจึงติดตันกันอยู่ที่ตรงนี้แมันไม่ก้าวหน้าไปถึงความดับทุกข์เมื่อคนป่วยมันไม่รู้จักตัวป่วยเป็นโรคอะไรมันก็ไปหาหมอมันก็เป็นหน้าที่ของหมอที่จะตรวจเอาเองนี่มันก็ลําบากอยู่เหมือนกันเดี๋วนี้เราจะเป็นคนป่วยเองเรจะเป็นหมอรักษาตัวเองกันได้อย่างไร แนั่นแหละมันเป็นปัญหาอยู่ยิง อ, อยากจะทําความปราใจใเรื่องตัวความทุกข์ให้เป็นที่แจ่มแจ่มเรื่องนี้มันโทษใครไม่ได้เพราะว่าในบาลีก็กําปวงวก็กำปั้ปวไปทั้งนั่นแหละธรรมดาการพูดยาหรือการบันทึกหรืการใช้ภาษ า, านะคำว่าทุกข์ทุกอย่างนี้เป็นทังหลายาก็จะได้ยินว่าสังขารทา่ทานปวงทุกขังหรือทุกขาทุกโคอะไรตามกันเจ้ลาละสังขารทุกชนิดนเป็นทุกข์ เรื่องกาอธิบายสังขารว่าเป็นสังขารที่มีชีวิตวิญ ญ, ญ, ญาณรู้สึกได้ก็มีเป็นสังขารที่ไม่มีชีวิตวิญ ญ, ญาณแต่ก้อนหินก้อนดินอย่างนี้มันก็เป็นสังขารด้วยเหมือนกันสังขารที่มีวิญ ญ, ญาณก็ดีสังขารที่ไม่มีวิญ ญ, ญาณติดเป็นทุกข์ฟังดูมันก็ชั่วในชังงวนก้อนหินเป็นทุกข์ได้อย่างไรถ้าไม่เข้าใจคำว่าทุกข์ให้ถูกต้องแล้วมันก็คงเติมว่าทําว่าทุกข์ทุกขังทุกโขทุกพาอะไรก็ตามนี่มันมีควา ม, มหมายหลายอย่างอมีความหมายว่าเป็นทุกข์ ก็ทรมานอยู่การรทุกมาจนทรมานอยู่แต่น Cold, ี่ก็มีสิ่งที่ไม่มีชีวิตวิญญาณทุกทรมานได้อย่างไรมันก็เลยอาศัยความหมายของกาทุกเนี่ยให้ตุนดูแล้วมีลักษณะแห่งความทุกข์ก็ได้กาทุกนิดนี้มันแปลว่ามีลักษณะแห่งความทุกข์ทั้งารทั้งทั้งพวงเป็นทุกข์หมายความว่าังการทั้งารทั้งวงมีลักษณะแห่งความทุกข์น่ก็มาสู่ปัญหาเดิมอีกว่าที่ไม่มีชีวิตวิญญาณนันจะเป็นทุกข์ทรมานได้อย่างไรนั่นก็การบรรๆ อย่าลืมว่าท่านใช้คว่าสังขารสังขารให้คนี่มันกควรยันยิ่งคือมันมันไม้คลุมไปหมดยกวนวสังขารคือดิพานอย่างเดียวแล้วก็เป็นสังขารไปหมดก้อนยิ้มเป็นสังขารคน้าแมวของกระตือสังารแม่ไลน์นี่เรเป็นสังขารคนาเป็นสังขารงันจะอธิบายว่าอย่างไรงั้นคำกกระใจคำว่าสังขารจึงเป็นแม่บทของคาที่ว่าจะเป็นทุกสังขารเป็นทุกสังขารคืออะไรนัสังขารแปลว่าสิ่งที่ปรุงแต่งของสังขารนี่แปลว่าปรุงปรุงแต่งถ้าเป็นชื่ ทิถูกสิ่งอรงแต่งสิ่งน้ก็เรียกว่าสังขารกิริยาอาการที่เป็นการงแต่งก็เรียกว่าสังขารนะครัมาสังขารอย่างน้อยมีสาความหมายแล้วผู้รงแต่งก็เรียกว่าสังขารู้ถูกรุงแต่งก็เรียกว่าสังขาริริยาอาการที่รุงแต่งก็เรียกว่าสังขารในบาลีทีวเสมูสโมุขสงบรงับสังขารจะได้เป็นความสุขนั่นหมายถึงะการปรุงแต่งเมื่อดหยุดการปรุงแต่งก็ได้ละงักจะได้นั้นจะเป็นความสุขไม่ได้หมายความว่าสังขารดับหรือตายจะมีความสุข สังขารที่พลุมแสงที่เป็นผู้คลุมแสงมีลักษณะแห่งความทุกข์สังขารที่ผูกคุมแสงก็มีลักษณะแห่งความทุกข์กลี้ยงสังารที่พลุมแสงก็เป็นความทุกข์นี่คำาสังขารมีสามความมายอย่างนี้เป็อย่างน้อยคือถ้ามองดูในงาอื่นก็ได้อ <c oughs> ิ่งไปดูที่ควาทุกข์คำว่านในในความทุกข์ตามตัวซื้อเขียนว่าทุกทอเส อ, อ, อุก็ขอตามมาแยกบทเป็นวัตถุกัขบขมมะอย่างนี้แปลว่าคนได้ยากอย่นี้คือเจ็บปวดทุกข์ในกันและกันนี่เป็นตัวซื้อยางนี้แปลว่าเจ็บปวดทีนี้ มันกลปแปลว่าเห็นแล้วน่าเกลียดดูแล้วน่าเกลียดที่มีคำอีกี่ยอีกความหมายหนึ่งแยกเป็นทุกข์กับขังขังแต่ว่างทุกข์แล้ว่น่าเกลียดคือมันว่างอย่างเรวร้ามว่างอย่างน่าเกลียดนี่ก็เรียกว่าทุกข์เหมือนกันนี่ต่ไปรู้รู้มาจากที่มาต่างๆมันจึงจะได้รบอย่างนี้แต่คว่าคว่าทุกข์ม่นแปลว่าทุนได้ยากคือทรมาณเจ็บปวดอย่างหนึ่งคําว่าทุกข์แปลว่าเห็นแล้วน่าเกลียดมีลักษณะน่าเกลียดนี่ก็อย่างหนึ่งและคําว่ามันว่างอย่างน่าเกลียดมันว่างอย่างเร้าาาาว่่งีีีรรกกกอน็เเเป็นนนทุกกหมมมืืออั่ีควาามมทุกรเล่าเป็นทุก มันลักษณะที่มองเห็นแล้วมันน่าเกลียดน่าชังช่ความไม่เที่ยงความเป็นมายาอะไรของมันเห็นแล้วน่าเกลียดน่าชังต่เรียกว่ามันมีล u, ักษณะแห่งความทุกข mm ์แ hmm. ต่ในบาีก็ม้าเราดูล so, like ึงาเป็นทุกข์ือจะทุกข์ันไปเฉยที่ไปสุดท้ายก็มันว่างจากตัวตนว่างจากสาระจิที่ถือเาได้ว่าเป็นกัณฑนว่าอย่างน่าเกลียดถ้าเอาความหมายทั้งมนี้มารวมกันข้าวแล้วมันก็สามารถจะครอบนำสังขารทุกชนิดเลยจะเป็นสังขารที่เป็นผู้ปรุงแต่งก็มีลักษณะน่าเกลียดอะว่างจากตัวตนอะที่ถูก อย่ว่าง่างที่เป็นการรุมแต่งปริยา ก, การรุ่มแตม่ก็น่าเกลียน่าชาังหนึ่งกันจริงๆอยากจะบอกว่าถ้าจะถือได้เป็นหลักก้อ้างที่สุดใช้ได้กับทุกสิ่งและความหมายทเเห็นแล้วน่าเกียดนั่นแหละเป็นคำที่สามารถครอบคลุมไปทุกสังขารถ้าเผื่อแต่คามาเราจะปวด ร, ทรนทุกธรทรมานนี่มันเป็นได้แต่สิ่งที่มีชีวิตใจมีความรู้สึกแค่นั้นแหละไอ้สิ่งที่ไม่มีความรู้สึกมันก็ไม่จำเป็นทุกข์สิแต่โดยหลักมันมีอยู่ว่าสังขารทั้งคูทุกชนิดเป็นทุกข์ถ้า แต่ทำแยอกเป็นส่วนๆมแยกค้าเป็นแขเป็นมือแยกเป็นอผลผลิตั้นน้ำแยเป็นส่วนนมันจะเป็นทุกข์ได้อย่างไรหรือจะเป็นทุกข์ประมานได้อย่างไรหือถ้าแย่กไปเป็นทัดดนหน้าลมไฟอย่างนี้มันจะเป็นทุกข์ได้อย่างไรถ้าไม่เลียนเป็นอาการที่ว่าเห็นแล้วสังเกตเห็นแล้วจะรู้สึกเกลียดนี่เราจะเอากรนไม้ที่คว้างที่พรอมกำลัทุกขางการเรก็เห็นความจริงของมันแล้วแต่รู้สึกเกลียดแต่ดูจะไม่เคยได้ยินได้ฟังคอธิบายอย่างนี้ใช่มที่นี่บอกให้รู้ว่าถ้าโดยตัวหนังสือนั้นมันเป็นได้หร มันก็ไม่เป็นปหาอะไไม่ทำอะไรกันแต่ว่าทุกอย่างทุกชนิดทุกความหมายนั่ะมันเป็นที่ตานแห่งความยึดถือถ้าไมยึดถือเขาแล้วน่มันจึงจะเป็นทุกข์ทรมานีบารีรุ่นุ่นว่าความเกิดเป็นทุกข์การเก่เป็นทุกข์การตายเป็นทุกข์อะไรเป็นทุกข์อย่างนี้อ่ะด้วยดีสิมันมีความหมายอันหนึ่งซ่อนอยู่ตัวไปยึดถือเข้ามีความหมายเป็นความเกิดควาแต่คามแต่การตายของคูขึ้นมาจึงจะเป็นทุกข์ถ้าไม่ยึดถือเกิดแก่ตายเป็นของกูมันก็ไม่เป็นทุกข์หรอกมันเป ถ้าจะก็ให้กวอนหินนี่เป็นทุกข์แต่บุคคลก็มันต้องบุคคลยึดถือว่าก้อนหินนี่ของครู <c oughs> ที่จะมีปัญหายุานนาาดยกกนนากจะเป็นทุกข์ขึ้นมาในตัวก้อนหินันมีลักษณะแห่งคล้องรอบลวงไม่เคลื่นแล้วก็เลนกันน้เกลียดมันแตยังเป็นทุกข์ไกลๆเลไม่้ว่าแต่กมันจะยิดถือว่าหินนี่ของครูขึ้นมามันจึงเป็นทุกข์แก่บุคคลนั้นจึงมีความสาคัญมันสำคอย่างย่งอยู่ที่มันมีความทุกข์เพราะมันมีความยึดถือสังขารที่ถูกปรุงก็ยึดถือเปเลยมันก็ รูปในความคุณธรรว่าทุเนี่ยมันเป็นทุกข์เพราะยึดถือที่นี่เราจะดูกันโดยตัวนั้นซืออย่างละเอียดโดยพลันชนะโดยตัวนังนซือมันจะเป็นอย่างจิตกแล้วทุกข์คือตนประมานทุกข์คือเห็นแล้วหน้าเสียดหน้าช่างทุกข์คือมันว่างจากสาระโดยการทั้งปวงมันอาจจะมากมันจะได้มากจนใครก็มาจะศึกษาเราเป็นนักศึกษาหศึกษาโดยพลันชนะโดยละเอียดแล้วมันจะได้ความอย่างนี้ทุกข์มายความว่าทนทรมานทุกข์หมายามาเห็นทู้จักมันดีแล้วแต่รู้สึกเบียดแล้วว่ามันว่างมันว่าง ว่านอย่างน่าเบียดว่านอย่างน่าชังปีสุดว่านจากสาระแห่างน้าเบ็บดน่าชังปีสุดเนี่คือความทุกข์ทุกอย่างจะเป็นทุกข์ก็ต่อเมื่อมีการยึดถือจะต้องแยกในความเจ็บปวดเป็นต้นออกมาเสียถ้าเป็นเรื่องหนึ่งเลืความเจ็บปวดมันเลยกลายกันว่าเจ็บปวดโดยเป็นทุกข์ก็ได้เจ็บปวดโดยไม่ต้อเป็นทุกข์ก็ได้ถ้าเจ็บปวดยึดถือก็เจ็บปวดของกูมีตัวกูเป็นผู้เจ็บปวดมันก็เป็นทุกข์ไหมถ้ามันเจ็บปวดโดยใน่มีทุกขยึดถือนี่จิตหลุดพ้นแด้จากความยึดถือก็มปนเรื่องของความเจ็บปวด จันจะพูดให้ฟังง่ายว่ามันมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นที่ตรงนกตามมีการเจ็บปวดเกิดขึ้นในเนื้อในตัวพพิจารณาดูด้วยปัญญาโอ้นั่นมันเป็นเพียงความรู้สึกอย่างนั้นที่ระบบประสาทที่ตรงนั้นซึ่งตามธรรมชาติมันจะต้องรู้สึกอย่างนั้นาการเจ็บปวด ก, ก็เลยกลายเป็นความรู้สึกตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ส่วนนั้นที่นั้นมันก็เลยเป็นความเจ็บปวดที่แยกอกจะได้จากตัวกูจากของกูถ้าหังฉันก็เจ็บปวดหรือว่าเกิดแต่จะตายอย่างไรมี่าการเกิดแต่จะตายอย่างไรพระหลังแต่เกาบอกพระหลังไม่เคยไม่แต่ไม ถ้าหนังสือ Hola, ไม่เคยแก่จะตามทงที่ร่างกายตามธรรมชาติมันก็ต้องแก่ต้งจต้องตายการแก่การเจ็การตยนั้นมันไม่ถูกยึดถือมันก็ไม่เกิดรปเป็นใน่เรือนยึดถือเป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาทางการวิญญาณที่ถูกยึดถือนั่นเป็นรูปเวทนาสัญญาทางการวิญญาณเตี้ยมันมันเตียแต่มึถือเพราฉนั้นสาจึงไม่มีความทุกข์ในลักษณะที่มีความยึดถือแล้วไปรู้เจ็บปวดท่านก็รู้สึกเจ็บปวดมันคนทั่วไปก็รอนั่นมันก็คือความเจ็บปวดเป็นธรรมชาติที่มันจะทำร ความเจปวดถูกแยกออกไปจากตัวกูแล้วก็มันม่มีตัวกูที่จะมายึดถือว่าเป็นของกูมันจะเป็นเพียงสักว่าความเจ็บปวดซึ่งมีใช่ความทุกข์ในความหมายนี้ทุกข์ในความหมายนี้มันปรมาทจิตใจถ้าไปเอามาเป็นของกูมาเป็นของหนักยึดถือว่าเป็นของกูมันก็เลยเจ็บใจคือเป็นทุกข์มันไม่ใช่เพียแต่ความรู้สึกอย่ที่เนั้อหนังในระบบภาษาที่เป็นผลเนื้อหนังแม้ว่าเรายังไม่เป็นพระอรหันต์แต่ก็ใช้บทเรียนนี้ได้ใช้บทเรียนนี้ได้ถ้ามันเกิดเจ็บปวดที่มาที่ตรงไหนเราพิจารณากันให้มันแตกขาดลงไปมันเป็นความร มันก็เลยกายเป็นความรู้สึกของธรรมชาติไม่กลายเป็นความทุกข์ของกูเพราะมันไม่ยึดถือออกมาแต่ถ้ามันยึดือความเจ็บนั่นว่ของกูมันเป็นความทุกข์เต็มตามคามหมายของคว่ามันเป็นทุกข์ทรมานทำไมอยากจะเป็นทุกข์แบบแค่ทุกข์ทรมานใจนั่นแต่อย่าไปยึดถือเอาความเจ็บปวดนั้นมาเป็นของกูทีนี้คมันยึดถือยึดถืออากมากยึดถือเป็นของกูแล้วใหลองรางความเจ็บปวดมันก็เจ็บชามเจ็บนันไม่เจ็บป มีคนเอาอะไรมันมันเงื่อนแต่แทงแต่ฟันย่งนี้มันก็เจ็บปวดใชมครับมันก็เป็นทุกไปแล้วมันยังไม่ถูกปันตะทีหรอกมันยังไม่ถูกฟันเฉนเนือเท่นั้นมันก็เจะปดแล้วมันก็รัวตาแล้วมันก็เป็นทุกแล้วเพีงถูกแต่เป็นเพียงแต่ถูกเพราอาวุธมันเมื่อนนะทำพลาดจะแทงจะแทงอะไรก็ตามที่นี่มันก็เอาคิดเนี่ยมันจะเป็นรัวปูจะตายไอ้ัวตายยังไม่มาถึงเป็นอนาคตยังจะถูกทำมาเป็นของกูกลายเป็นปัะตูบานมาเป็นความทุกข์นี่อกจากเห็นเด็กๆไอ้เลือดออกเป็นทุกเป็นทกข์เือบ เป็นน้ำมือสแดงก็ได้เปมาเพื่อนเป็นร่รู้สึกตัวมันก็ตกใจไม่ต้อ่จะตายเหมือนกันนี่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเพื่อนแฟนหรือนี่ยายทำไมเคยเห็น้ำแร่เคยออกชื่อเด็กคนไหนมันมีเด็กที่เป็นเออเป็นเล่นโดยกันวิ่งมาหาแม่มาไปถูน้ำมืแดงที่มันเอ่อกระดาษที่เขาริงๆอ่ะที่มีน้ามือแดงเล่นอยู่มนเลยที่มือดว่าเลือดแมันก็น่าสิ้้มันมาหาแม่เจ็เป็นทีเจ็เป็นทีจะตามแล้วนี่เป็นเรื่องของความยึดถือถ้าไม่มีความยึดถือมันก็ไม่มีความหมาย แล้วมันกดเป็นทุกข์แก่กูไอ้แก่ไอ้เจ็บนี่มันมีความหมายอะไรแต่มันเป็นในบริวารนะเป็นขา like เป็นในอุปกรณ์ของความตายเป็นสัญลักษณ์ของความตายนิมิตของความตายมันจรงกลัวลงมาเป็นความแก่หรือความเจ็บถ้าความเกิดด้ิบายอย่างเกิดทางเนื้อนัเนี่ยมันเป็นกลางกลางเกิดทางจิตเบื้ว่าาวตกูของกูเนี่ยมันเป็นคามอยู่ในตัวมันทันทีเองทันทีเลยกำลัดถือว่ามีตัวกูมันเนหนักมันก็แบบของหนักมาทันทีควาเกิดในความหมายนั้นเป็นความทุกข์ทันทีทัน เนก่ไอท้านนั้นมันจะมีความรู้สึกนึกคิดเป็นความเกิดที่เป็นตัวครูมีความรู้สึกเป็นตัวครูเป็นความหมายของครูเกิดขึ้นดังนั้นมันจะต้องมีความคิดนึกคิดต้หน้าไปตามครอ่ะมันึงจะเกิดความรู้สึกชนินั้นได้เมื่อใดเดท้าวคนนั้นมีความคิดเป็นครั้งแรกว่าตัวครูตัวครูเกิดขึ้นมาเมนั้นมันจจะเป็นความเกิดที่สมบูรณ์เกิดาจทํางหนัเป็นการเกิดที่สมบูรณ์จนกว่าท้าวมันจะโตรู้จักคิดรู้จักนึกรู้สึกได้ว่าตัวครูอย่างนั้นตัวอย่างนี้เป็นตัวครู เป็นคำที่มีความหมายำกลภูมเป็นคำที่เกิดปัญหามาแล้วก็จะได้เที่ยงกัน น, น้าดน่าดาอีกจริงขออนะให้รู้จักตังเกตว่าคำว่ทาทุกทุกนี่ให้ความมายิี่สำคัญที่สุดจริงจะใช้ได้แก่สังขารทุกชนิดนั่นก็คือเห็นแล้วรู้จักแล้วมันรู้สึกรีดรู้สัก ร, รู้สึกรียดยิ่งกว่าของสกปรกตั้งตู้มีปัญญาเป็นได้เห็นปฏิปุนชนิดนี้คนโง่เป็นปฏิปุของสกปรกอุจจาระ่าษ้าเขาหน้าคนโง่เป็นปฏิปุนน่าเบื่อแต่ความปฏิปุนน ควา็งขันทางร้ายทาปูนที่มีความหน้าเกลียดอย่างนี่แล้ความหมายนี่อันหลับนะไรเราคิดดูทังันไหในน้นสั่ายมันก็เป็นเรื่องนเกลียดที่นี่ก้อนอีกก้อนหินนเป็นทองเท้า้องนี่ก็ดูมันมีความเป็นมายาหลวล่ permitir. มเียนเปลี่ยนแปลงมีความหน้าเกลียดท่ากันแต่คนมันไม่รู้สึกเกลียดมันมีความมุ่ด้ความฉลาดทไมรู้มันไม่รู้สึกเกลียดพอเมื่อใดพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงควเป็นของมายาเปลี่ยนไปตามทังคันเอาการกินอะไรไม่ได้นันมันถึงจะหน้าเกลียดถึงจาเห็นเป็น าเดียดในความหมายของภาษาธรรมไม่ใช่ความหมายในภาษาคนในภาษาคนตัวขอวหน้าองคหน้าเียดหน้าเียดในภาษาคนจะเ็นคาเป็นจงาเป็นมายาการหลอกลวงความทางตาไม่เดียดอานนี้เป็นความนาเดียดในภาษาธรรมภาษาธลึกการรู้จักเรื่องสองภาษามีประโยชน์อย่างนี้ไม่พูดแบาคำว่าทุกมีความหมายว่าหน้าเดียดเห็นแล้วนาเดียดพอรู้จักแล้วมันรู้สึกเกลียดเนี่ยมันจะเป็นความหม่ใช้ได้แต่สังขารทั้งหลายทุกความหมายเลยเอาแต่ความทุกข์กระมันแล้วมันใช้ได้แต่สังขารี่นิดมีชีวิตมีความรู้สึกคิดได้รู้สึกในเวทนาได กามทุกข์มีความหมายอย่างนี้ความสังขารมีความหมายอย่างนี้การเห็นดีสามทุกข์ถ้าแปลว่าทุกข์ทรมานก็ได้สังขารตีมีความรู้สึกได้ถ้าแปลว่าเห็นหน้าเกลียมันก็ได้แต่สังขารทั้งหลายทั้งปวงเราจงรู้จักดูไปลึกเห็นความน้าเกลียดของสังขารทั้งหลายทั้งปวงแล้วเราก็จะคลายทำปาดีทีว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงนี่มันเห็นได้ง่ายมีชีวิตก็มีชีวิตมีวิญญาณก็มีวิญญาณสังขารนั้นไม่เที่ยงเห็นได ทัันมีความน่าเกลียดหรือเป็นทุกข์ยิง่งมีหลักอยู่ว่าิ่งไดไม่เทีย่ยนสงนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เทีย่ยนอะไรเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่เป็นตัวตนหรือมีคนชิดถือว่าตัวตนเดี๋ยวนี้มันจะมาพูดกันถึงเรื่องทุกข์นี่าซาะาคุณมีตรงแดงการทำอภัพวะในสูตรในความสาคัญอยู่ที่เรื่องทุกข์ระดับทุกข์ควรจะรู้จักความทุกข์ที่มีอยู่จริงเอามาทั้งรูปที่ทั้งเนื้อทั้งตั ว, ตวนน เ, น, เ, เ น, นี่ย จะเห็นวามไม่เท um, well, we uh, ี well hey zijn, mı, really mm. hm. either, a, ่ยงคามเป็นมายาคามเป็นแรงล้ำวายุ่งยากอยู่กเรียกว่านน่าเกลียดเเป็นทุกข์ลิขิตจะเล่นกันอย่างเด็กๆก็ว่าเป็นส่วนๆฝ่าร่างกายออเป็นส่วนๆพิจารณา็ทุกส่วนก็น่าเกลียดแหละเป็นทุกข์ไม่จะอยากให้เป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาทาาวิญญาณนันก็ไม่เที่ยงนั้นน่าเกลียดแหละเป็นทุกข์ไั่จะอากให้เป็นธาตุเป็นดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุดิ้นญาณแต่ละธาตุแ่ละาตุันกเป็นมาาและน่าเกลียดแหยะเ็นทุกข เ็นอย่างลึกซึ่งเห็นครอบครัวั้นไปเห็นแต่เพียงว่ามันเจ็บปวทรมานเ็นทุกข์มันเห็นน้อยไปเห็นนิดเดียวมันก็ทะเลทลายไปเป็นอย่างอื่นได้มันไปหาตามรู้สึกอะไรมาตกเูอื่นได้เช่นคนบางคนก็ว่าเป็นทุกข์ขึ้นมาเขก็ไปกินเหล้าเสียหาทุกข์ไปหรือไปเที่ยวตำเริงตำราอะไรเช่นมาตัดดุจได้หาลูกในวันนั้นน่ะมันยิ่งมากเกลียดมากขึ้นไปอีกมันเป็นทุกข์มากขึ้นไปอีกคนไม่สนใจที่จะดูทั้งขามทั้งร้ายทั้งป่วนในแน่ที่ว่ามีลักษณะมากเกลียดที่จริงคำน มันก็มีลักษณะแห่งความเป็นทุกข์คือมันจะตั้อันควรบนเวิตริตรอยู่ในตัวมันเองมีลักษณะแห่งความทุกข์แม้แต่สังขารที่ไม่มีชีวิตมมันก็มีลักษณะแห่งความทุกข์แต่มันม่เคยตาอย่างนัเพราะมบรีมันมีว่าเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์เร า, าจะคุยเนอย่างวิทยาศาสตร์ทางภาษาเราจะว่าสังขารเป็นทุกข์สังขารมีลักษณะแห่งความทุกข์บ้างหรือสังขารเป็นสิ่งที่ควรจะบรรยัญญญติเป็นตัวความทุกข์ขึ้นเลยอย่างนี้ก็ได้นี่รู้สึกธรรมดาคนตามธรรมดารู้ส เกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนไปเดขึ้นัอยู่เปลีนไปแล้ดับนีัน้นลักษณะแห่งความน่าเกียดเพราะนี้มันเป็นหลกหักแล้วเกิดมาตั้งการท่นพวมเป็นทุกจริงในชั้นนี้ก็บอกให้รู้ถึงในความกำบวมของภาษาแม่ภาษาบาลีป็นงมิชาติอยู่เดิมเรามาเรามาศึกษาเรามาค้นคว้าเพื่อจะเข้ใาใจความหมายของคำเหล่านั้นแต่ละคแต่ละคำให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ควจะได้ทาตันนั้นไม่มีความจาเป็นอะไรบังับให้แต่เรื่องนี้เราอยากศึกษาอย่างครบถ้วนอย่างถูกต้องอย่างละเอียดเรากต้องศึกษาก คุณมาเป็นเรื่องแรกเพราะว่าปัญหาาะคุณมีนี่เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์ทุกข์เหตุให้ดทุกข์ความดับแห่งความทุกข์ทางให้เป็นามดับแห่งความทุกข์มันเรื่องแต่เรื่องของความทุกข์งนั้นแล้วก็ถนหลักในที่นี้ดวยว่าไม่ได้ตรัดว่าเป็นความสุขมีแต่เป็นความทุกขกับไม่มีทุกข์ไม่ได้ตรัดเป็นความสุขความสุขมันเป็นเพียงเวทนาได้มัน่อกลายเป็นของหน้าเกลียดสุขเวทนาเป็นของหลอกลวงทางตาเลยกลายเป็นของหน้าเกลียดเล ออแล้วแต่ที่นี่มัยังมีแต่กาพูดในภาษาคนโดยเฉชาะจูงคนธรรมดาสามัญทั่วไปสนใจในเรื่องนี้เอความสุขเอาคำว่าความสุขต่อมาใชมันยึ่งเปิดคำชี่มีลักษณะชวนเชื่อให้นะสนใจว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งขึ้นมานิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งขึ้นมาถ้าคูยในภาษาธรรมแท้ๆไม่ได้พูดได้ต่ใว่านิพพานไม่มีทุกข์จบสิ้นแทนความทุกข์แต่ถ้าคุยเนภาษาคนภาษาธรรมดาคอพูดได้ว่านนเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะคนธรรมดาสามัญชอบความสุขสนใจความสุขรู้จักความสุขเป็นที่ตั นี่เกิดคำพูดที่นี้ขึ exactly pues, ้นแม่เป็นคำที่พระกุศลเจ้าท่านตรัสเองรู้จักท่านตรัสเองแต่ว่าเป็นสุขอย่างยิ่งขึ้นมาอย่างนี้ทั้งที่ปัดโดยหลักว่าทั้งฐานเป็นทุกข์ที่จะอ้างว่านิพานนิสัยั้งฐานเป็นสุขอย่างยิ่งมันก็รีบไปกันใหญ่นี่ไปกันใหญ่ก็มันไม่รู้จักว่านิพานนิพานคืออะไรนิพานนันมันเนื้อขึ้นไปจนเนื้อเนื้อสุขเนื้อทุกข์แต่มีลักษณะที่จะพูดแบบเป็นหลักภาษาว่าสิ่นสุดแห่งความทุกข์คือนิพานเป็นเนื้อความสุุไมมมม่่ีาาาหแงควส ก็พอพูดความสุขมันกลายเป็นเรื่องของเวทนาความรู้สึกที่บุคคลรู้สึกเป็เวทนาที่เวทนามันเป็นสังขารนะมันเป็นสังขารก็ไม่เชี่ยงหลาเป็นทุกข์เลยมันตีกันดุ่มไปหมดจึงมันแบ่งแยกกันให้ชัดตรงไปว่าสังขารในความหมยไหนเป็นตัวทุกข์หรือมีลักษณะแห่งความทุกข์หรือบรรับให้เป็นความทุกข์กันเฉยเลยแลความสุขนั้นน่ะมันคืออะไรมันต้องได้หลังใจตามความต้องการต้องมีความต้องการได้ตาความต้องการจึงแต่เป็นสุขได้ลความบรุษบเลยถูกต้องทางที่พิเรนามันต้องการวุข นี่ปร ะ, ประกาศศาสติเลตประการอวิชชามันก็ไม่ทำการไม่ทำการการบำรุงเรือในที่ไหนมันก็เลยไม่มีในที่จะต้องมาเป็นความทุขนเรียกว่าไม่มีความทุกข์นั่นแหละอเป็นนิพพานเป็นความว่างเป็นความว่างจากความทุกข์เพราะว่างจากตัวตนเมืม่อไม่มีตัวตนก็ไม่มีที่ตั้งแห่งความรู้สึกว่าเป็นทุกข์ไม่มีความทิดคิดตัวคู่เป็นทุกข์หรือความทุกข์เป็นของคู่มันก็เลยดับหมดแห่งแห่งความทุกข์จะทุกในงานไหนก็ไม่มีความทุกข์ไม่เป็นตุราการนี่ก็ไม่มีทุกข์ดูแลมันไม่มาเปลียนอะไร ควาสิ้นสุดแห่งความทุกข์หรนิพพานดูแล้วไม่น่าไม่น่าติดนะมันก็ไม่มีความหมายแห่งความทุกข์นิพพานนี่ก็ เ, เป็นคำคำหนึ่งเป็นเสี้ยโอกาสคูส่เฉลยคือความตัดสนิทแห่งความทุกข์มักจะเข้าใจหรือเข้าใจกันอยู่ว่ามันเป็นสิ่งที่จะได้ต่อเมื่อตายแล้วมันออกความตายมารองรับนิพพานจริงจังดได้นิพพานอย่างที่คิดว่าอีกทีชาติทีร้อยชาติีพันชาติจึิงจังนิพพานมันก็เป็นการได้หลังจากตายแล้วตรงนั้นนี่คิดดูดีแล้วจะมีประโยชน์อะไรมันจะต้องจะต้องไล่เขาไปความตายายแล้วนันนะเป็าได้้่ ถ้าเราเกิดใหม่ก็มีปัญหาอย่างเดิมอีกตั้งแต่เป็นเด็กศึกษากันใหม่อีกมันก็ er มีไปข้าความหับทุกนี่ก็ขอให้เข้าใจเป็นหลักทายตัวว่านิพพานนิพพานในทุกความหมายทุกระดับทุกลักษณะนิพพานในทุกความหมายไม่เกี่ยวกับความตายคือเราไม่ตายมันก็นิพพานได้ถ้าจะหลับเพื่อปฏิเจตนิพพาเป็นเกณนมันก็มีว่าวิชาดับควิชาดับสังขารก็ดับสังขารดับแล้วคนตายไหมมันไม่ได้สังขารดับแล้วิญญาณก็ดับแล้วมันตายไ้มวิญญาณมันดับนามรูปมันก็ดับแล้วมันตายไหมนับ สังขารดับวิญญาณดับนามรูปโดยที่ไม่สั่งนี่มันมีความหมายอยู่ที่ว่าคำว่าดับดับในที่นี้หมายความเป็นว่ามันไม่ทำหน้าที่ัำไรว่าคำว่าเกิดว่าดับในภาษาธรรมน่ะมันหมายถึงมันไม่ทำหน้าที่เรียกว่าดับถ้ามันทำหน้าที่เรียกว่ามันเกิดเกิดดับในความหมายภาษาธรรมเป็นอย่างนี้เกิดดับในภาษาคนสมมโเรียกว่ามันเกิดแล้วมันหายไปยว่ามันดับนภาษาคนคำาเกิดคาดับในภาษาคนเป็นอย่างนั้นแต่คำเกาดับในภาษาธรรมมันมีความหมายอย่างอื่นเมื่อใดมันทำหน้าที่เมื่อนั้นเรียกว่ามันเกิดเด หูเกิดจมูกเกิดหรือตาดับหูดับจมูกดับเมื่อในตาทำหน้าที่ของตานั้นเดีวตาเกิดไม่ใช่ว่าเรามีตาอยู่แล้วจะเกิดเตาเกิดแล้วไม่ใช่นั่นมันเป็นการเกิดทในทางในทางอาคุนคุณโมในทางอายคุณฉลาดท่านก็าจะคุณตาเกิดต่อเมื่อตาทำหน้าที่เห็นรูปเมื่อมีรูปมากระทบตาตาเห็นรูปเรีกิดาตาเกิดมันก็ต้องเกิดวิญญาณทางตาเมื่อตาเลิกเห็นรูปเรียกว่ตามันดับคือมันไม่ทำหน้าที่ไอ้ลูกตาเก็ยังอยู่ไม่ไปไหนแต่ว่าลูกตาเป็นเรื่องของวัตถุพูดกันโดยภาษาคนดมันก็เสปกตาดับ เรื่องนี้มันไม่ทําอย่างนั้นถ้ามันไม่ทําหน้าที่ก็เรียกว่ามันดลับถ้ามันทำหน้าที่ก็เรียกว่ามันเกิดอย่างไม่ว่าอาษาคนมันมีความหมายลึกซตามความรู้สึกของคนถ้าษาทํามีความหมายลึกตาอทำไงความรู้ของคนที่รู้ธรรมะอันลึกซึ้งพขก็รู้จะพูดโดยภาษาธรรมที่ว่านิพพานานิพพานานี่อย่างน่าสงสารในเมืองไทยเราเอาไปสอนเด็กๆในโรงเรียนว่านิพพานคือตายแต่ตายของพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าคนตายเรียกว่าตายช่างตายเรียกว่าช่างล้มอยากแผ่นดินตายเรียกว่าสังนิษฐที่นี่พระอรหันต์ตายเรียกว่านิพ นิพพานไปตายหรือความตายไปนี่ลูปเด็กบบๆไปเล่าคํามั้งตนมาผิดแค่แรกเรียนในขั้นหลังนี้นิพพานไม่ใช่ความตายนิพพานไม่เกี่ยวกับความตายเขยให้เป็นใจกันเตะดีๆกันเตดีๆว่าเป็นความเยนเ็นแห่งสังขารเป็นความระงับแบบเย็นแห่งสังขารชั่วคราวก็ได้ตลอดไปก็ได้ยังมีพระบาลีอยู่คาหนึง่งว่าอปาลินิพุตโตโซพระคาวาปาลินิพานาละธรรมังเทเสติปาลินิพุโตโซพระคาวาพระภูมีพระภาคนั้นปาลินิพานแล้วทรรมังเตัวปาลิปาลินิพานาละธรรมังเทเสติ ย่อมทรงแสดงธรรมในทรงแสดงธรรมเพื่อป ร, ริณิพาน์ <c oughs> พระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้านั้นป ร, ริณิพันธ์แล้วแล้วก็แสดงธรรมเพื่อสัตว์ทั้งหลายป ร, ริณิพันธ์ด้วยตายแล้วแสดงม่นี่นนคว่าป ร, ริิพนันธ์ในลักษณะอย่างนี้เห็นชัดว่าไม่ได้ตายรับเย็นสนิทแห่งสังขารไม่มีเละไม่มีความทุกข์แล้วก็ทรงแสดงธรรมเพื่อป ร, ริณิพันธ์อย่างเดียวกันแก่สัตว์ทั้งหลายพระธนนก็ขอแสดงอบับัับเิยเข้าใจอย่างนี้ผิดเคยสอนไม่ผิดเคี้ยันนี้ที่บางแห่งผิดวันดับสิ้นเชิงกิเลส องนี้ก็เคยมีนะแต่เป็ยขั้นเดียวหรือได้นค่น้นอยๆเดี๋ยวนี้มาพบอันั้นมันเป็หลายสิปีมาแล้วเดี๋ยวนี้มาพบว่ า, า, าก็ไม่ได้มีพาทีแท้ทจทริงท่านไม่ได้หมายถึงก่อนตายหมายเป็นการดับแห่งกิเลสเย็นเขาเอาคาว่าเย็นเย็นในภาษาชาวบ้านเขาใช้เป็นคาในภาษาธรรมท่นลึกเพรไม่ดมีคอื่นจะเรียกแต่คำอื่นเป็นมาคนเขฟังไม่ถูกเมื่อพูดพระจักรพรู้หือหอเมื่อมุนีหรือที่อะก็ตามกนพบความดับเย็นแห่งกิเลสแห่งสิ่นี้ไม่มีคำจะใช้ก็ต้องเรียกว่าเย็นเไ็นเย็นต้องชาวบ้านนี้เขาใช้ บาลีใอวันรอบเยหมดจดนิพพานะในว่าเย็นนัในพระบาลีก็มีอยู่ตัวตัวไปที่มีหลักกานแสดงให้เห็นว่านิพพานะในว่าเย็นหรือทำให้เย็นเมื่อช่างทองลอมทองเหลืองัวเป็นทองเหลวร้อนผันเขาจะต้องทาให้ทองนั้นนิพพานเสียก่อนคือเอาน้ำรดเข้าไปทองที่เหลวากาเป็นทองเย็นตามปกติอย่างนี้เรียกว่าทาให้ทองมันปาทำมันนิพพานนิพพานไปะ ย, ะยักในว่าอยางทองนั้นให้นิพพานแล้วก็กมาทาเป็นเครื่องประดุกประพันธ์ในต่างๆได้นี่ครว่านิพพานไรว่าเย็นดุจมาเย็นอย่างนี้มันไม่ได้ ถ้าใจกันผิดให้นิพพานเป็นความตายแล้วจะทำได้ความตายแล้วมอยู่ทุกคนหวังจะได้นิพพาน ต, ตายแล้วเป็นนั้นเลยมันเลยผิดหลายช่วงหลายต่อไปไม่รู้ว่านิพพานตั้งแต่ว่าเย็นแต่ปารินิพพานต้องมันเย็นสิ้นสุดเ ย, ย็นรอบเย็นอย่างครบถ้วนาก็จะาปรินิพพานแล้วทรงแสดงธรรเพื่อปรินิพพานเพื่อการปรินิพพานแก่ทั้งหลายมิแสดงมาม้ปรนนินิพพานแล้วก็ไม่ใช่ตายแล้วนัปราอะไรกับอนิพพานไม่พานเฉยๆมันก็ยิ่งไม่ตายใหญ่ดับเย็นดับเย็นแห่งกิเลส แ, ลแห่งคว า, ามาบบาาวทุกข์ก็เๆ มันนิพพานเป็นฐานไฟสีดาข้าวร้อนร้อกินไม่ได้ราให้นิพพานเป็นข้าเย็นแล้วกิจะกินได้มีตัวอย่างแช่กับนะครับก็ยาคุมันยังไ่นิพพานยังร้อนกินไม่ได้ต้อรอให้มันนิพพานกิน จ, จะกินได้นี่แปลว่าเย็นใช่กับวัตถุสิ่งของก็ได้ทำมาใช้กับจิตใจสมัก่อนไม่จิใจมันเย็นเพราะไม่มีิเลไม่มีความคุกก็เรียกว่ามันนิพพานใช้กับสัตเดรัจฉานก็ได้ถ้าสัตว์ใดหมดพยพไรสัตว์เดรัจฉานตัวใดไม่มีอันตรายหมดพยพไ้อ่าทำ่าฟื้นจนไม่มีอ เพราะฉะนั้นว่าถ้นาน่าดับทุกข์ปิ่นเชิงนันมันไม่ได้เกี่ยวกับความตายมันไม่ต้องตาย้ามันเกิดนิพพานได้มันจึงมีประโยชน์ถ้าต้อตายแล้วจะมีประโยชน์อะไรล่ะคนเรื่องดับทุกข์คือนิพพานมันก็คือดับแห่งความทุกข์ไม่ต้องดับสังขารไม่ต้องตาย่ไมครับถาเกิดนิพพ า, นต า, น, า น, ตนตายลป็นรนกิลูกเด็กได้งมสัพันมาผิดในประเทศอินเดียเป็นต้นงไม่ได้สอน อ, อย่างนี้มันบาปการอะไรของเมืองไทที่มาสอนลูกเด่านิพพานคือความตายตายของพระอรหันต์มันก็เมลิดไปใหั่ ถ้ามันตายได้็มันส่วนที่เป็นร่างกายเป็นเลือเป็นมันตายได้มันจะเป็นตัวอรหันต์ถ้าแไม่ตายมันเยิดสองข้อสามข้อเข้าไปที่ว่าอรหันต์ตายแล้วก็เรียกว่านิพานอั่งไรที่มาทั้งหลายของวันนิพานนี่ไม่เกี่ยวกับความตายนิพานสมบูรณ์ถ้าได้คว่าเปนิพานาะเป็นนิพานะเป็นนิโตายไม่เกี่ยวกับความตายพานชั่วคราวเป็นสาธการนิพานเป็นชั่วสมัยที่าทมิตรนิพานนิพานทเห็นได้ด้วยตนเองใช่ตายแล้มันจะเห็นได้ด้วยตนเองอย่างไรนิพการธรรม นินความหมายไหนครับโดยปรจจยก็ตามโดยนี่ปัยจก็ตามไม่เกี่ยวกับความตายท่นั่นแหละนั่นก็คือว่าเดีว่าดับทุกข์ได้โดยที่ไม่ต้องตายดับทุกข์ได้โดยที่ไม่ต้องตายมันอยากตัวความดับทุกข์อยากตัวนิพพานว่ามันจะทําตายมันทีเข้าใจกันผิดๆแล้วมันต้องตายเกินจะได้นิพพานฉันไม่อยากตายฉันก็ไม่อยากได้นิพพานอ้เรื่องมันก็เกี่ยนผิดตามไปหมดไม่ชมไปตามรอยที่มันควรจะเดินไปนี่ความดับแห่งทุกข์ไม่เกี่ยวกับความตายเอทําให้ความตายหมดความหมาย ไม่มีตัวตนสำหรับจตายก็วิเลสที่ถือว่าตัวนนั้นไม่มีตัวตนไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีที่ตั้งฐานใหความทุกข์มันก็ไม่มีมันก็เลยไม่มีิเลสไม่มีความทุกข์เกดาการทุวขนีคือความเย็นถึนที่สุดเกิยกว่านิพพานหรือกว่านิพพานนั่นคื่บาลีเองก็ไม่แน่นอนถ้าคำว่านิพพานในความหายสูงสุดก็มีถ้าคำว่าบาลีนิพพานในความหมายสูงสุดก็ไม่แทนกันได้สำหรับคำว่านิพพานกับคำว่าบาลีนิพพานระดับเย็นชนิดก็ไม่มีวิเลสไม่มีความทุกข์ไม่มีสังขารไม่มี มันยคิดว่าหาความสนุกมากกเปลี่ยนความทุกข์ได้ด้วยนันจึงล้หาเงินหาอะไรกันใหญ่หาประตูปัจจัยทางการมารุมโดยเฉพาะมากับเปลี่ยนความทุกข์นั้มันก็คิดว่าการมารุมน่ะเป็นนิพพานเพราะมันก็เปลี่ยนความทุกข์ได้ที่จริงความคิดอย่างนี้มันเคยมีมาแล้วแต่ก่อนคนพุทธทานมันปรากฏอยู่ในบาลีช่นโธมชาระสสุเป็นต้นคนบางผู้เอากามารุมเป็นนิพพานเพรามันเคยกลับกัเปลยนความทุกข์ได้ตามความต้องการของเขาเป็นนิพพานรูปเด็กๆแต่มันก็เคยมีบางผู้สูงขึ้นมาเอาฌานเอา มีลัณาคามเป็นปรสข้านความกิดมากขอสมควรที่จะมีความเยียนเย็นก็เลยขู่ขวากจหญว่าเป็นนิพพานก็การานหลังนี่เป็นนิพพานลมตาลระดับๆแล้วพระพุทธเจะไปศึกษาอาการคนสุดท้ายสาเป็นเนื้อวัตถัญญาณัตัญญาญตนะหยุดารู้สึกที่เป็นสัญญาเวทนาเสียแลกะนิพพานพรุทธาดกงันเสียไม่ยอไม่ยอมรับนจึงออกไปหาหมหาของเก่าอจนพวกันดับเลยจนจะหเป็นนิพพานเรามาถึงปัญหาแต่เพราะหน้าวันเดียวนี้คนมันไม่รู้จักความทุกข์นั้เวลาทีเีวนี่พูเป็นถึงเรื่องความ เดี๋ยวเราจะดูอะไรเราดูทำแบบจี่เคยแสดงตอ น, อนวความขั้ม <c oughs> ข้อแรกก็จะดูตามเป็นชนะนก็ไม่พีกล่ามาแล้วความทุกข์กันเป็นอารมณยากก็ได้ทุกกับข ม, ะขมะขอะไรคนยาก ถ, าถอดคอนที่เป็นทุกข์กับอีกขาก็แปลว่าเห็นและเกลียดมันก็ได้ถอดเป็นนะเป็นทุกข์กับขังมันว่างอย่างน่าเกลียดถ้าดูการเป็นชนะความทุกข์มันมีความหมายอย่างนี้มีความหมาสูงที่จะครอบงำใจกว้างหน่อยก็เห็นแลน่าเกลียดตจะพูดว่าว่างอย่างน่าเกลียดมันสูงเป็นไปจนคนตวเอจะทำใจไม่ได้เอาแต่เพียงว่าพอเห็น รทุกได้ทั้งสังาที่มีวิญญาณคองและไม่มีวิญญานรลองโดยเช่นชนะเป็นอย่างนี้งั้นโดยอัฏฐะที่โดยอัฏฐะคือความหมายที่ออกมาจากตัวหนังสือนี่มันก็จะเอาตามหลักนั้นแหละว่ามันทนยากแม้สิ่งที่เราที่เราเห็นแล้วว่ามันหนักเกียด่ก้อนหินเนี่ยจะไปเห็นความหนักเกลียงมันพามันโดนรู้สึกรำพูนในใจที่ต้องทนด้วยเหมือนกันก็ความทุกข์นั่นคือสิ่งที่เห็นแล้วจะรู้สึกเียดและเป็นความทุกข์ระกุลปิดใจก็จนยากได้เหมือนกันมีความหมายว่าทนยากม นีู่อางามรู้สึกธรรมดางคนที่ยังไม่ได้รุ้นยังไม่ปล่อยวางยังไม่สิ้นเลธเพราะมันเห็นสิ่งที่ลอกลวงเป็นมายาไม่เที่ยงอย่างนี้มันก็เกลียดเจแล้วมันก็รำคาญแล้วมันก็คนความรำคาญนั่นมันเลยมีลักษณะแห่งความทุกข์ในการขานทางหลายวงถ้าว่าจะใช่จะดูในแนองไวโพเววันะไวพคือคามแทนชื่อที่ใช้เรียกแทนกันได้นี่เรียกว่าไวพธนีควาโลกก็เป็นไวพของความทุกข์อย่างที่พระพุทธเจ้าตสว่าโลก็ดีตให้เกิดโลกดีความหลับแห่งโลกอดีตความตื่น ในร่างกายยังไม่ายจะหาพบโรคเพื่ให้กดโลคคําดับโรกความดับโรคไม่มีอย่างนี้ตงใช้คาว่าโลกเป็นไวโพธของคาว่าทุกในที่บางแห่งใช้คำว่าโรคโรคเป็นไวโพธของคำว่าทุกก็มีคำว่าโรคโรคคำนี้ตนืมันแปลว่าเสียบแทนคาว่าโรคมาจากลูกชักเป็นแปลว่าเสียบแทนสิ่งที่เป็นโรคก็มีการเสียบแทงแงกายแทงกายอะไรตาใจเลยมันมีการเสียบแทงก็เรยบวาโรคําว่าโรคไม่ใช่เป็นไวโพธของคำว่าทุกก็ได้อย่างน้อยก็มีคาว่าโรคมีคำว่าโรคเป็นไวโพ์ของคาว่าทุกถ้าจะดูกันยังไงคำไวโพธก็ตองดูคำสองคำน ลกณะของกาทุกข์หน้าเทดลักษณะของามทุกข์ืหน้าเดนี้ลักษณะหน้าเทือดอาการขางวามทุกข์คเบียดเบียนเบียดบียรกันลักษณะของการทุกข์หน้าเดอาการาทุกข์เบียดเบียมถ้าจะดูโดยกิจจะเป็หน้าที่ที่ความทุกข์มันจะทำขึ้นมาก็คือสร้างปัญหาความทุกข์มันนีหน้าที่สร้างปัญหาเกิดขึ้นเมีความทุกข์นอยู่ไม่ได้องต่อสู้ักลายเป็นปัญหาไปหมดปัญหาทางการเงินปัญหาทางสุขภาพปัญหาปัญหาทางการสังคมอะไรเป็นปัญหาไปหมดถ้ามันมความทุ มันกัดให้กรอนคือให้มันชึกร้อนมันก็แสบเผ็ดมันก็เจ็บวอาถ้า mmm ด mm. ูในแง่ของวิทยาศาสตร์มันเป็นความรู้สึกตามธรรมชาติไม่มีตัตนเป็นธรรมชาติล้วนๆไอความทุกข์เนี่ยมันมีเหตุปัจจัยุออกมาแล้วคือปรากฏการณ์ของธรรมชาติเป็นธรรมชาติล้วนๆเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันถ้าเราจะดูกันในแง่ของวิทยาศาตร์คือธรรมชาติที่มีกฎธรรมชาติบัควบเิ็งต่า้เป็นไปตามกฎขอธรรมชาติไอ้างทุกข์มันคือธรรมชาติธรรมดาแท้ๆนม่มีอะเภต้องเป็นอย่างนั้็ได้ จะเอาการพอเป็นเืองศึกษาเป็นเรื่องสังเกตมันจะแจกเงินที่ะรู้กันอยู่นั่นแหละความทุกข์ชนิดลดตรงเห็นได้ตรงๆงก็มีเห็นยากโดยอ้อมก็มีบามทุกข์อย่างเปิดเผยเห็นชัดก็มีความทุกข์อย่างล่นลับมองก็ไม่ค่อยจะเห็นอย่างนี้ก็มีถ้าไปจะไปแจกกเป็นความทุกข์ทางกายเป็นความทุกข์ทางจิตเป็นคามทุกข์ทางวินญาณเป็นความทุกข์อะไรก็ได้ดูเอเองไปแล้วกันถ้าเห็นในหลายหอย่างมันดีมันก็ช่วยรูจากความทุกข์ดีขึ้นความทุกข์มีประเภทมีชนิดอย่างไรบ้างก็อย่างที่คูดกั่มานั เป็นาะคนนะความทุกข์อย่างไรได้ไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรจะช้ไม่มีอะไรจะอยู่มันเป็นความทุกข์ขนแบบคนแต่ถ้าว่าเป็นความทุกข์หนักอกหนักใจก็ความยึดมั่นรือมั่นก็เป็นความทุกข์แบบาสัตม์นะหรับผู้ที่รู้ธรรมเป็นผู้ที่รู้เรื่องทางจิตใจมันต้มีความทุกข์ปตันแบบนั้นที่นี่เ้าจะดูโดยอุปมาอุปมานอะไรดีก็เรียกอุปมาว่ามันเป็นรางวันของพยามานความทุกข์เป็นรางวันของพยามารมึงโง่จนพามาเกิดนแล้วมันก็ได้รางวัลจากพยามาความทุกข ก็ประมาณยังไงก็ได้ความทุกข์เป็นเหมือนกับเครื่องทาอันตรายอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเรืนแทนก็ได้เป็นเื่อุมหอก็ได้เป็นเื่อผูกพันก็ได้เป็นเรื่อร้อยรัก็ได้เป็นเื่อเาล้นก็ได้เป็นเื่องอบคุก็ได้เป็นเครื่องที่มนุษย์ไปทําขึ้นแล้วมันก็เป็นการทนทรมานทุกมาณความทุกข์เหมือนกันน้าท่วมก็ได้มันมันจมอยู่น้ำายใจไมออกมันก็เป็นทุกก็ลืนเรือประมาณรุ่นลืนลื่นตัอที่จะขึ้นมาจากน้ำาั่นะใครเห็นความทุกข์เป็น แต่แหลนี้เารทุกดีเห็ารทุกถูกต้องในทุน ท, ที่มันก็จะเกิดความยากจากคนทุกอย่างยิ่งเดนี้มันมรู้สึกอย่างนั้นมันไมไ่รู้สึกมันถูกจากคน้งใจน่าอยากจะติดมาหากาพยมันก็เลยฟังกันเรื่องเป็นเรื่องฟังกันเรื่องพูดเป็นเรื่องไม่ต้องทำอะไรเลยมันเองก็เลยไม่เกิดการดับทุกขที่นี่คืาว่าดูในหน้าที่ในลักษณะมันเป็นหน้าที่ในการทุกข์มันมีหน้าที่ในตอนมันจะมันจะเกิดขึ้นมาเมื่อเมื่อมีการทําผิดการทุกมันก็มีหน้าที่ททททีีีี่่่่จะลงเเเเมมมือกกาาาารํผิดนนนยป็ห้ควุ ถ้าเมนุษย์คนก็มีหน้าที่ที่ต้องรู้จักตัวความทุกข์จะต้องรู้จักตัวความทุกข์ในทุกแง่ทุกมุมมนุษย์มีหน้าที่ที่จะต้องรู้จักตัวความทุกข์ในทุกแง่ทุกมุมแต่เราก็ไม่ค่ยจะสนใจเราจะดูในแง่ของสิทธิสิทธิที่มันคู่กันกับหน้าที่ในความทุกข์มันต้มีสิทธิในตัวมันที่มันจะกลับในคนโง่ใครมันโง่ในความทุกข์มันก็มีสิทธิที่จะกลัดคนนั่นแหละทีนี้เช่าห่างมองในแง่ของมนุษย์มนุษย์มันต้มีสิทธิที่จะดับความทุก เราือวเป็นสิทธิอย่างยิ่งที่เราจะทำเรืงเองนั้ไมได้ระดับความทุกข์เองไได้นเป็นสิทธิข่ามนุษ์แต่ถ้าเป็นสิทธิฝ่ายตัวความทุกข์เองมันจะกับมันจะกัดมันมีสิทธิที่จะกัดมันสามารถที่จะกัดกับคนคนโ่มันทำไม่ถูกจยุดต้ตนต้นทีนี้ดูที่จุดตั้งตน้นความทุกข์ต้งต้นที่ไหนโดยทั่วไปก็จะถตามหลักยตรว่าความทุกข์เกิดจากตัญหามันก็คนจะรู้จักว่ามันเกิดอย่างไรถ้ามันเห็นชัดเจนจริงๆว่าปัญหาที่เกิดความ ตนหานให้เกิดอุปาทานเมื่อมีอุปาทานจึงจะเป็นทุกข์ถ้าตหาไม่้เกิดอุปาทานมันก็ไม่ทุกข์แต่ต้นหามันมีธรรมชาติอย่างนั้นคือมีธรรมชาติให้เกิดอุปาทานยาอะไรยารุนแรงยาให้รุนแรงยมเกิดความรู้สึกอนนมาว่ามีตัวคูเป็นผู้ยานอุาาเกิดขึ้นยาเป็นของกูหรือเป็นตัวคูเฉยกระตันใจนความทุกข์ที่เกิดจากอุปทากพระบาลี้ราสอนอยู่บนอยว่าสร้างกิเลสปัญหาทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์เป็นผู้ยาอุ ก็ม่ก่อปัญหาให้เกิดความลิมันถือมันแล้มาดูย้อนไปทางาไกลมาทางหลงังทางต้นมนเกาอวิชชาเยไม่ให้เกิดตัญหาถ้ามันไม่มีอวิชชาเกิดัญหาไม่ได้ถ้ามไม่มีอ э วิชชาในขณะที่มีผัสสะแล้วมันเกิดตัหาไม่ได้ก็จะมีมอวิชชาเามาเป็น ก, ปากกกันโดยเฉพาะตั้งแต่มีผัสสะเป็นผัสสะของอวิชชามีเวทนาของอวิชชาแล้วมันก็เกิดตัหาดูไปทางต้นสุดการทุกข์เกิดจากอวิชชาดูที่ตรงกลางโดยตัวใคเห็นง่ายง่ามันเปลนจักตัหา จะดูกันอย่างชิดที่สุดแล้วยพบว่าความทุกข์เกิดจาการอุปทานความยมั่นถือมัยมันถึงดก็เป็นของหนัก้นมาทันทีให้ความถือของหนักนั่นแหละเป็นความทุกข์พาาานังทุกข์้โลกเการยึดถือของหนักเป็นความทุกข์าลาเวบจักขันธาันขั้งเป็นของหนักพาราานังทกั้งโลกเกยึดถือของหนักเป็นทุกข์ไม่ใช่การพัฒนาเลยพาด้านนี้แค่บันนำสู้ขังนี่พุทธะพระคุณอีกาีหนึ่งวางของหนักลงเตี้ยนนั่นแหละน หมดความอยากหนับสนิทวรนนี้นิพพุโตนับสนิทไม่ตายไม่ต้อตายแต่ไม่มีความทุกนี่พระเดดูดีๆมันมีหายแห่งครับวันนี้พุโตวันนีพุโตไม่ได้ไม่ได้ตายไม่ต้องตายถ้ามันวางของหนักลงจะได้มีความคุกเงินต้อนมาจากทาพิจารงกลางเป็นตัญหาอันกุดไทยของการาำนวก็คืออุปาทานอุปาาโดยการเป็นตัวตนก็ได้เป็นความสก็ได้จะาทานในวัตถุที่กันที่ตงความเากันได้ที่สความที่ทางเหกันได้ในวัปฏิบัติปฏิบัติเดียวยังงูก้าวกันได้นี่ก็อุปาทานโดย ที่นีดูเราไปแน่ๆนก็คือดูโดยอัศะท่าอัศะท่าคว า, า, าอริยรอยสนุกสนานเป็นสเสน่ห์อยู่โยนใจความทุกข์จะเป็นอศาศะท่าน่าพอใจมากแต่สหรับคนโง่คนไมนะ่รู้จักความทุกข์ <c oughs> จนเกิดมีคาพูดแปลกๆขึ้นมาว่าเห็นกงจับเป็นดอกบัวเห็นกมจับเป็นดอกบัวไอ้นคนโง่หลงนี้พอใจในไความทุกข์คนกีแฝค้กี่เล่นเล่นลับมันจึงเห็นเป็นดอกบัวมันจึงินดีที่อยู่ในวอมทุกข์มันเป็นทุกข์แล้วมันยังจะไว้ห้าซึ่งที่เป็นทุกข์อีกมันโง่เท่าไรที่ข้างกว่าวด้วยก็ไร มันเป็นทุกข์อยู่แล้วยงสหาสิที่เป็นทุกข์อมันโง่เท่าไรเพราะมันมีอัตาอะไรซอนเล่นแอยู่ในตัวความทุกข์นั่นีเหน่ายๆนว่ามันได้ที่ได้ดาได้ีเขาเนี่ยมันสบาใจมันกิเลสคำนั้นลํายีเอามันสบายสบายใจเป็นอัตาพระเสนที่หลอกลวงของสินที่เลวได้ทั้งหลายสินทเลวได้ทั้งหลายมีของหลอกอย่างนี้กันทั้งนั้นแราอยากพูดในแง่ที่ลึกที่บางคนพม่ยอมรับว่าเราก็รักความทุกข์เราชอบความทุกข์โดยเฉพาะอัาตเพความทุกข์มันลา ีความทุกข์มาสอนนะโง่โง่ดบัโง่โง่อย่างเลยอร้ายทุกคน้ความทุกข์มันาตบหน้ามันสอนใ้ฉลาดขอความทุกข์ความทุกข์มีคุณมันสอนใ้ฉลาดให้ความสุขมันสอนให้ล้มให้เอให้เลยกเลยเพิ่มไปแต่ความทุกข์มันสอนใ้ฉลาดมาขัดมากัดเอามาขาดเอาเเ้ร่เทำให้สำนึกได้มันสอนใ้ฉลาดเรียกว่ามันสอนดีกว่าความสุขความสุขมันไม่สอนมันทำให้ลืมตัวแต่ความทุกข์มันาสอนแต่คนมันโง่เองมันไม่รักคาสอนมันก็บ้าไปเลย ถ้ามันยินดีที่จะศึกษาความทุกข์นะเรายะรู้ว่าความทุกข์เนมาตลอดนะเแอย่าทอย่างนี้ต่อไปอวยากสร้างเห็ดใจอย่างความทุกข์นี้ขึ้นมาเลยของวิเศษอันนี้ให้ความรู้อันนี้ใด้าจากความทุกข์ในความทุกข์นบีบขั้นให้เราฉลาดหาบนทางดับทุกข์เราจะค่อยกว้างขวางออกไปออกพูดชัดเจ้านะออกบวชเป็นเพื่อเป็นรความทุกข์มบังคับนะความทุกข์ัับล่าสงให้ออกไปบวชไปหาทางดับทุกข์นะมันไ้ขอบใจความทุกข์เปนมาคนที่ได้ประโยชน์จากการศึกษาด่ควาทุกข์ชัดเจนผู้อ แต่ต้นกันว่าไม่จะพูดตรงๆทงางขวาพูดอฝา่ายที่มีใจพูดฝ่ายกกาก็เป็นจะมีพูดคนี้ไว้เพชรอยู่ในหัวังคบเพชรลอยอยู่ในหัวขังคบสิ่งที่นาเกที่สุดคือขังคบแต่ในหัวของมันก็ยังมีเพชรลอยในความทุกข์ที่เลวรา้าน่าเกลียดน่าชังที่สุดดูดีจะคบถ้าไม่ผ่านาอยู่ที่นั่ น, นดับทุกข์มันต้องมีที่ความทุกข์ดับไฟไมันต้องมีที่ไฟดับทุกข์มันต้องมีที่ทุกข์นั่นในทุกข์มีความดับทุกข์ที่จะหาพบได้ถ้าหาพบได้ นะครับคนที่มีปัญญาจใช้ความทุก์ให้เป็นประโยชน์ที น, นี้ดูง่าของอาทีนวะว่าโทษอันเลวร้ายต่ำที่มพูดถึงคือ้งูดรมรู้สดีนั้นเทุกคนน่ามันเรน็วได้มันอันตรายแลมันตัดคนเผาคนทำลายอันอันตรายคนนี่เป็นส่วนที่ว่าเป็นอาทีนว่าอาทีนุกอาทีนว่าวแปลว่า โ, โทษอันเลวร้ายโทษอันเลวร้ายอย่างนี้เด็กๆอ็กยังมองเห็นอยู่บ้างแต่แล้วก็ไม่เห็นต่อไปจนถึงจุดมันเป็นอย่างนั้นมันก็เลื้อตัวห็นเป็นความสนุกสนานไปเสพาะคนี้ แล้วก็เลยได้เห็นกัพเปดอก บ, บัวกันครง น, นี้เองจะพูดกันเป็นภาษาธรรมะนี้เป็นภาษาคนพูดเป็นภาษาคนก็ว่าไอ้ความทุกข์นี่มันเป็นของสัดเป็นของทําให้เกิดความทุกข์หรือว่าเป็นของหนักทำให้เกิดความทุกข์จะพูดโดยภาษาธรรมะผลตามธรรมชาติธารมธรรมดาของอวิชชาอุปาทานพิเรศคืออวิชชาอาทานเป็นของธรรมชาติธรรมดามีเป็นที่ไหนก็ให้เกิดผลก็รอเป็นคนออกมาเป็นธรรมชาติคือความทุกข์ความทุกข์ก็คือธรรมชาติธรรมดาทอออกมาจากธรรมชาติแห่งพิเรศ ที่มีือว่าปัญหาว่าอุปท า, านวิา <C oughs> อุปท า, านนี่เราดูดีว่าเราเปเรความทุกว่าอย่างไรในในความรู้สึกตื่นๆความรู้น้ อ, นอ ก, ก็เร่อย่างหนึงน่งมีความรู้สึกที่ขึ้นเดเรื่องอีกอีกอย่างหนึ่งนว่าเป็นทุกข์ประมาณาเสียนหน้าชัง่งนี่ก็ยังเป็นรู้สึกตื้นๆธรรมดาธรรมดาใช้เป็นธรรมชาติเช่นนั่นเองธรรมชาติเช่นนั้นเองแล้วก็ทุกเป็นด้านนั้นมันเรื่องลึกเป็นภาษาลึกเปความทุกข์เป็นธรรมชาติธรรมดาเป็นาภามเป็นเช่นนั่นเองไม่มีความทุกข์กับมั น, น ไม่มาถึงจิตใจไม่มาถึงจิตใจให้ธรรมชาตินั้ hey. นเป็นปะทาาเป็นของธรรมดามีอย e ู่ในโลกนี่ไรู้จักความทุกข์งลึกกล่าโดยภาษาธรว่าเป็นธรรมชาติธรรมดาแลวกระจายของธรรมชาติธรรมดาเป็นฝ่าย่างทีให้มันเกิดเป็นอย่างนี้ถ้าพูดธรรมชาติธรรมดาแล้วมันไม่มีมีชั่วมีสุขมีทุกข์มันมีแต่ใหอย่างนี้คนเกิดอย่างนี้ทำอ่างนี้คนเกิดอย่างนี้คืออีท่าปัจจยตาถาใครเห็นอีท่าปัจจิตาก็น่าจะมีรู้สึกว่ามีดีมีชั่วมีสุขมีทุกข์มีอะเลยมันเป็นอย่างนั้ ถ้าเ้าถึงความจิงผลงธรรมชาติทำทีเป็นจริงอะไรลมันทำให้รู้สึกุในรู้สึ ก, ส ก, สกสูเป็นธรรมชาติไปหมดนี่เป็นลักษณะแห่งความุดพ้นคิดของะอหันเ็นทุกสิ่งเป็นตตาตาตาปาคำนี้เราเป็นคำสำคัคำหนึ่งที่จะต้งตองจนใจว่ามันเป็นผลเกิดมาจากการเห็นอปัจจต า, าเห็นอีธปัจจตาถึงสิ่สุดแรกเราจะสรุปผลเป็นตาตาเช่นนั้นเองฟังดูเหมือนพูดเล่นเมื่อจะมาพูดคานี้เป็นเป็นขั้งแรกเลกตเป็นขั้งแรกให้คนทีมีการศึกษามีสติปัญญานี่ พูดแต่าตาสองเองต่าตาเช่นนั่นเองเห็นเต็มเรพูดเลยเห็นเต็มไม่มีความหมายไมีคุณค่าอะไรแล้วต่อมาหน้าเนี่ยคนคนนั้นจะคอยรู้ ก, ก, กันนะโอ้เรื่องสาคัญน enfin ั Holland, ้นมันจะอย่างพูดเลยแต่าตาตาตาเช่นนั่นเองถ้ามันฉลาดจริงมันเห็นอีท่าปฏิยาตาใจอย่างนั้นจะเกิดคนอย่างนั้นเหตุใจอย่างนั้นเก็คนอย่างนั้นไม่บรรยัติความสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วบุญคือแบบไม่บรรยัติมีเรื่องเหตุอย่างนี้เกิดนอย่างนี้เหตุอย่างนี้เกิดคนอย่างนี้อ่างนี มองไปที่ตะไน้ก็ตาทาตามอนไปทีนั่นนั่นเองมองไปที่ก่อนหินก็ตาท้าตาเช่นนั่นเองมองมาที่เตหมูก็ปูดะกตาทาตาเชนนั่นเองเป็นมาตามเหตุตามปัจจัยเลยก็ได้ตาตามองเห็นซุนน้ามองเห็นแมวมองเห็นววมองเห็นควายก็ตาทาตาแก้วแหวนกันทองกุญแจาข้ามีตาท้าตาถ้าคนมันฉลาดตามแหลมผมมันจะเห็นแต่ตาทาตาเต้นไปหมดเงยึไปบนก็มีแต่ตาาตาโหง้านที่จะเป็นตาทาตาของเด็กเล่นถามองไปไกลินเป็นบานาาเห็นไหมรถก็เป็นตาท้าตาเห็นสวอนก็เป ก็เลยออกไปถึงขั้นนิพพานก็ยังสถาพ า, านั่นเองแต่เป็นสถาาโลกุตรอยู่เไม่พอใจเมื่อ <c> ท <oughs> ่าคนมันฉลาดจริงมองไปทางั้นมันก็จะเห็นแต่ตถาพาดูไปที่เม็ดทรายันก็ตถาพาดูไปที่ดินมันก็เป็นสถาพาูไปที่หม้อที่ท้ดยดินมาปั้นทำขึ้นก็ยังคงเป็นตถาพาช่เดียวกัดนเดียวก็เป็นสถาพามหม้อม้ัา้ันก็ยังเป็นตถาพาอะไรที่ไม่ใช่สถาพาลองว่ามาดูเถินี่คนมันโง่นี่มันไม่รู้เรื่องนี้มันนี่เป็นต้นไม้บางเป็นชาตบางเป็นก้อนหินบางเป็นอะไรอะไรต่างต่างที่มัน แต่มันจะดเจมาเป็นนั่นจีมีค่าอย่างนันอย่างนี้สำหรับจะยึะดือกันได้จะเสียจะแพ้แต่ฉะนั้นแลมันโง่สมมติมันลงในสมมตินี่โง่ม า, า, ากลม่บรรญัตกเยังชั่วหน่อยไม่ล้มอะไรเล ย, ยเลยแต่สำหรับทุกได้เรื่องของภาษารธรรมพูดไ่ามันลึกดูจะไม่มีคำนั้นลึกไปกว่าคำว่าสุญญตาหรือปัาตาเรื่องเดียว่มันว่างกากตัวตนคือปัาามันเป็นปัาตาเพราะมันเก็นั่นเองเพราะมันว่างากตัวตนมันเป็นประจาโพธิทัปัญาตาแต่คนน้นไม่มองเห็นถ้ามองเห็นนี้ทัศป เป็นเป็นเป็นสิ er er, Russians, people, akers, ่งท uh, right? ี่ม <Anyways, S 1> ีอยู่เลยกันแล้วจะดูมันในมุมไหนในแง่ไหนดูในแง่ดุนตาก็ได้ดูในแง่าตาข้าก็ได้ดูในแง่ายที่ถ้าปฏิยตาก็ได้นี่แต่กระแสขอการรวมต่างการกดแห่งเหตุแห่งผลแห่งปัจจัยที่นี่มันเป็นดูกันคู่สุดท้ายงคือคนทานที่จะทะล้มเข้าไปในความทุกข์และคนทานที่จะออกไม่ได้จากความทุกข์นี่เป็นคู่สุดท้ายที่จะชี้ให้ดูคนทานที่จะทะล้ําเข้าไปในความทุกข์นั่นก็ดูที่มันมีเหยื่อมันมีเหยื่อความทุกข์มันก็มีเหยื่อมันมีเหยื่อล่อที่จะคน จะคโง่จะไม่เห็นจะไม่รู้จักว่าเป็นเหยื่อเล่จะเห็นว่าเป็นของนาักนาพอใจแล้วมันไปจิงกโดดออไปจากคำหยางนั้นนี่มันเป็นปูของกูมันก็ได้เป็นความทุกข์นี่คือความโง่บนทาิที่จะล้มก็ไปในของคือเปความโง่ด้วยเหยื่อล่ของสินนั่นนั่นมันโง่ต่อเหยื่อเล่าของสินั่นนั้นความไม่เที่ยนเนี่ยตัวรายความไม่เที่ยนมันมีรสอร่อยมากถ้ามันตายตัวมันไม่เปลี่ยนแปลงมันไม่มีรสอะไรเราพอใจในความเปลี่ยนแปลงมันจึงมีรสอร่อยในอาหารก็ดีในการบรุงบำรุงอะไรก็ดีเพราะมันมีความเปลี่ยนแปลงม นะสิ่งติเยื่อของสังขามหลังนั้นร่วงขึ้นมาเป็นความทุกข์ที่ทางออกทางออกมาจงกัน้ามคือความรู้ความฉลาดฉลาดอย่างแค้จริงไม่ใช่ฉลาดอย่งายงคนฉลาดย่งพงฉลาดอย่างแค้จริงเป็นวิชาเป็นรู้ตามที่เป็นจริง้มันก็ไม่งูแล้วมันก็ไม่งงติเยือบ <c oughs> างที่มันถูก <c oughs> เราเห็นเป็นเยือนอะไรมันก็เป็นพ้นทางที่จะออกมา จ, จากความทุกข์ถ้าแต่เราบุชัดลงไปก็เป็นเรื่องอายุมากในองค์แปดเหมือนที่พูดแล้วพูดแล้วถูกต้งกับสการ์นอะไรเป็นพ้นทางที่จะออกมาเสียจากความทุกข์และปัญหาทั้งปวงเรื่องนี้ ทางออกหรือนิจฉรณนะผลทางออกมาจากความทุกข์ออกจากปัญหาออกจากสิ่งเวลวร้ายอะไรนะั่นคืออริยมรรคองค์แปอธิบาย อ, อ้อไปทางไห น, นชื่ออื่นก็ได้แต่มันก็ไม่พ้นไปจากอริยมรรคองค์แปเป็นความถูกจ้ง 8, างไปประการรวมเป็นข้าเป็นคามเป็นเหมือนเนทางเป็นเส้นทางที่จะออกมาเสียจากความทุกข์เมื่อทกจะ้จได้กล่าวถึงความทุกข์ในใใดๆปัญหาใดๆทุกอยาก่างลำบาใๆพอถึงสุดท้ายจะแสดงนิจฉรณาเรื่องออกมาเยจากปัญหาเหล่านั้นโดยแสดงอริยมรรคองค์ปทั้งนั้นนั่นจึงสมเปรียบเป็นตัวเป รวมไปถึงศาสนาในแง่ของการปฏิบัตินี่ต้องชี้ลงไปที่อายมากมีองค์แปดมันก็คือสิ้นสมาธิปัญญาที่อธิบายว่าอย่างละเอียดแจ้งออกไปอย่างละเอียดเป็นแปดยามพุทธชนก็ว่าสิ้นสมาธิปัญญาต่อโดยวิชาก็พูรวาสิ้นสมาธิปัญญากล่าวโดยหลักปฏิบัติของนปัญญาสนสมาธาินี่เป็นพ้นทางออกมาเสียจากความทุกข์ขอให้สังเกต ศ, ศึกษาค้นคว้าทดลองลองดูอย า, ากรู้จักความทุกข์ก็ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาชินดูเพื่อจรู้จักความทุกข์ ตนะ่ไม่ต้องนะมันมเันเกิดอยู่ตามธรรมชาิเกิดอยู่ตามธรรมดาที่คุณโง่ไม่เห็นไม่รู้ว่าเป็นความทุกข์และลก็มาหยิบขึ้นมาเป็นปัญหานี่ก็อยู่อย่างคาุณโง่คือหาอยื่ออะไรมากรอกเกินความทุกข์ที่เป็นกันโดยมากเมื่อเามีทวางทุกข์ก็ต้องหาเ ห, หลากินไปตามสถานเรนมรุ ม, มไม่มาวาดอ่ะไม่าสิกเรื่องของพุจเจ้าไปหาทางกรกเนตามแบบของคณโง่ย่กรอกเนมันก็ ย, ยิ่งเป็นทุกข์มากขึก้นมากขึนจนแก้ไม่ได้ในที่สุดมันก็ไปฆ่าตัวตายรืออยู่บ่อยๆแ้วมันรู้จักทางออก หนึ่นแปน่จึงมีคำกล่าว่าโลกคือความทุกข์เพราะว่าโลกกรพนมันเป็นไปในคนโง่แล้วมันก็ทำผิดพลาดแล้วมันก็เป็นความทุกข์เป็นไปเนความทุกข์นีโลกกับความทุกข์มันจึงเป็นสิ่งเดียวกันแล้วยังมีเรื่องสลับข้อของันนี้เรื่องของกิเลสี่เลยจะต้องเป็นของหลอกเป็นของหลอกย่อยย่ดหรือหลอกเสมอกิเลสมันเป็นเรื่องีสดงดงามสาหรับคนโง่ไอ้คนโง่จึงลงในเรื่องของกิเลสในที่เรียกว่ามารพยามารนั่นแหละเป็นสิ่งที่มีความงดงามยวยวนหลอลวที่สุดถ้าจะ ไม่ใช่เีเป็นยากนาตาดูร่าไม่ใเขียนโดยมากนั้นมันคนโง่มันเขียนมันเขียนรูปมันเป็นรูปแบบหน้าเกศเป็นรูปยักรูปมันถ้าคนฉลาดมันจะเขียนรูปมันเป็นหน้ารักที่สุดอย่ที่สุดน้าสนใจที่สุดน้าเอาที่สุดเลยนั่นคือมันภาษาคนให้มปรน่าเกน่าชังที่สุดภาษาธรรมให้มันประพฤติสิน่นารักและน่าด้วนใจที่สุดเรารู้จักความทุกข์ถ้ารถูกต้องมันก็จะเกตัวความทุกข์ดิ้นรนหยาดทุกข์ถ้าเราไม่รู ient, ้จักถูกต้องไม่รู้จักไม่ มัน เ, เ, เป็นเกิดที่เละแล้วเป็นความทุกข์หนักขึ้นไปอีกแล้วเป็นว่าความทุกข์มันมีอะไร <clipping ından> ม, มีความกินนี้ข้อเท็จจริงที่เราจะต้องมองกันอย่างนี้ต้องเลยทีหนึ่งก็ได้มันจะเดินวนน้อยมากขึ้นไปอีกเพราะมันฟังไม่เคยถูกกันไหแล้วความทุกข์เนี่ยถ้าจะดูโดยเป็นเชิงหน้ามันก็มีความหมายว่าต้นทรมานว่างดูแล demand, หลน้าเกลียดว่างว่างแรงหน้าเกลดหน้าชัางบ้างดูด้วยอัตตาควมหายแล้วมันเป็นสิ่งที่ทนยากหน้าเกลดหน้าชังไปทั้งหมดดูโดยสิ่งที่จะเสียแทนชื่อกันได้ก็คือว ดูโดยลักษณะลักษณะหน้าดังเกียดดูโดยิยาอาการคือมันบิดเบี้ยดูโ ด, ด, ดยจิตที่หน้าที่ของมันคือมันสร้างปัญหาดโดยรับมันแสกแลมันตัดกรอนให้รรอไปทีเดียวแต่ดูในแง่ อ, องาาโอ้ธร ร, รมชาติธรรมดาที่เธ ร, รรมชาติ ธ, ธ ร, รรมดาหล่งยิ่งเหมือนธ ร, รรมชาติธรรมดาทั้งหลายตัวไปแต่ว่ามันให้มันให้เกิดผลนมาในลักษณะอย่างนี้แเราเป็นความรู้สึกที่คนเขารู้สึกเป็นทุกข์เป็นความทารืดียวหน้าเกลียดามมีประเภทหลายประเภทหลายชนิดนี่จะจะมองมีอุปมาในกระว่ายดอกไม้จิพยาาณเอาให้ลำวันมาด มันจะเกิดขึ้นเมื่อคนทําผิดความทุกข์มันมีหน้าที่ที่จะเกิดขึ้นมาเมื่อบุคคลเขาทาความผิดแต่ว่าหน้าที่ของมนุษย์เราก็มีหน้าที่ที่ต้องรู้จักมันการกำจัดมันเสียจะดูโดยสิทธิมันต้องมีสิทธิที่จะขัดคบกับคนโง่ดูในแง่ของมนุษย์มนุษย์ก็มีสิทธิที่จะกํา จ, จัดมันเสียดูจุดตั้งต้นของมันก็คืออวิชชาอาวิชชารู้จุปราคาของมนนันก็คือจะต้องรับไปความทุกข์ที่เกิดมาต้องรับไปนแต่ว่าก่อนที่จะรับ่ามันจะรับไปมันต้องกาเอา แต่ว่ามันเกิดมาสำหรับตดับไปอย่าไม่ว่าอะไรมันเกิดมาสำหรับดับไปมันทุกสิ่งนี่เหตุปัจจัยงใจเกิดขึ้นมาแล้วก็มีจุดเกิดที่มันจะต้องดับไปเมื market market market market market ่อสิ่เงปัจจัยคาทุกขนี้ก็เหมือนกันสมมติไทของมันคืออิชาสมมตฐานของมันคืความไม่ถูกต้องความไม่สมดุลต่อธรรมชาตินั้นั่นคัชั่วคราวของมันก็มีเพราะมันเปัจจัยเปชั่วคราวระดับชินเชิงต้องมีวิชามีปัญญาดับในอวิชาหมดสิ้นดับด้วยนิโรธาธาธาสาหรับดับการปร มันมีอาจ า, ารย์ท่าเราให้คนโง่ลงจริงๆก็มันเป็นเดือเร้อนของเหตุของปัจจัยที่จะให้เกิดทุกข์ที่นับรวมเขาว่ยกันกับความทุกข์มันมีอาทีนะว่าคือเด็กๆ ก, ก็รูจ้จักเป็นโดยภาษาคนกับภาษาคันมถ้าถ้าคนจะว่าของที่ไใลๆมันก็เกลียดแต่แล้วมันขอยังไปลงอเป็นทุกข์เป็นได้นะครับรรมมันก็เป็นผลของอวิชาอุปาทานผลของอวิชาอุปาทานนั่นแหละคือความทุกข์ผนทางที่จะถล่มก็ไปคือความโง่ของคนที่โง่เราไปกินเดือของมันผนทางที่จะออกมาเสียก็คือความไม่โง่มีวิจามีปัญญา เช้ามาจะประพฤติความถูกต้องไปประการที่เรียกว่าอริยสัจสกมม์แน่มุมต่างๆเราเนี่ยเขาจะนับดูได้แต่ยี 20, 20่ส0บย่สิแมที่เราจะดูความทุกข์ใครมดูกันตั้งปีแม่ปีมุมบาคนจะไม่เคยดูเลยเลยทั้งีเจะรู้จากความทุกข์โดยสิ้นเชิงโดยอย่าง น, น้อยก็ดูมันจะแน ม, มอย่างนี้ที่ว่ามาเนี่ยแล้วก็จะเปลียดชังละอาต่อความทุกข์ตามภาษาของคนธรรมดาสามัญแล้วก็จะดิ้นรนเพื่อจะดับทุกข์แล้วพระพุทธเจ้ากัดอริยสัจสี่ว่าความทุกข์เป็นอย่างไรเหตุให เดี๋ยวน้เราไปแยกลือนละเอียดให้มันเข้าใจได้กว้าขงขวางหรือจริงกว่านั้นจึงดูกันถึง20ง่แน่มุมอย่างที่ว่ามาใช้น้อยมากหลังน้อยเอาเพีงยงสี่แน่มุมว่ามันคืออะไรแล้วมันมาจากอะไรแล้วมันเพื่อประโยชน์อะไรแล้วมันเป็นโดยวิธีใดผู้ที่เข้าใจเรื่องอาณาจักรโดยถูกตข้าในตัว จ, จับวัจัยของอาณาจักได้ก็เป็นหลักการที่ทครบึ้นเพียงพออยู่ในตัวถ้าจะรู้จักสิ่งใดนะก็ต้องรู้จักว่ามันคืออะไรความรู้คืออะไรแล้วมันมาจากอะไรมาจากปัญหามันเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อดับเพื่อหลับสนิทและโดยวิธีใดก็คืออรมาลีม นี่ฮะ จ, จำอา ส, สีคำว่าท่ารู้จัอะไรโดยถูกต้องแล้จะรู้จักมันยมันคืออะไรมันมาจากอะไรมันเพื่ออะไรแล้วมันจะโดยวิธีใดจึงจะําเ น, น, นินานัคืออะไรจากอะไรเพื่ออะไรโดยวิธีใดในั่นคือใจของอริยสัจม ร, ระช้ได้กับทุกเรื่องทุกใดก็ตามก็ตามวานถ้าเรารรู้จักมันจริงก็รู้จักโดยลักษณะ่อย่างนี้ยินงถือว่าอริยสัจมัน<อ>จะจ<อ>เป็นเรื่องหนับทุบโดยตรงโดยเฉพาะของศาสนาแลยังเป็นหลักเกณฑ์ทางปรัทยาหรือปรัชญาอะไรเป็นต้นด้วยก็ได้เพราะนสอนให้รู้สิงพันกว่าง่ายที่ควรจะร รู้สึกอย่างนี้ว่าไอ้คนที่นั้นฉลาดเป็นสลับรูปความสี่ตัวหัวเดียวเตมไปหมดก็ไปเตือนใจว่ามันรู้เรื่องอารยศัพท์คืออะไรจากอะไรคืออะไรโดยวิธีใดมอามาปัน่นจำลองทีทีนี้ก็แจกตายไปมากมีคนชอบใจกันมากมันสําหรับคนฉลาดนั่งแบบเฉาในรูปความสี่ตัวหัวเดียวนี่เราก็สนใจกันบ้างเกิดว่าไอ้เรื่องดับทุกเนี่ยมันรวมอยู่ในเหตุผลทั้งสีน่นี่คืออะไรจากอะไรคืออะไรโดยวิธีใดในการคุยมันมากไปเลยมันจะได้เห็นได้ง่ายๆหน่อยแยกเป็นยี่สิบอย่างจะได้ที่ออกมาแล้วที่สี่สามาแล้ว เขาดดับความทุกข์ลักษณะเนี้ไม่ิติดามทุกอย่างยิ่งเนไฟหาทางดับทุกข์เป็นเป็นกลังเป็นกำลังหลักด้านส่งเสริมให้สนใจเรื่องความดับทุกข์แล้วก็จะมีกาลังใจในการที่จะปฏิบัติเพื่อดับทุกข์แล้วผลที่จะเกิดขึ้นก็คือหมดความทุกข์ินสุดแห่งความทุกข์กระสมตามพระุรประสงค์ที่จะับเรื่องนี้ดับเรื่องนี้ทุกชีวคนมีพ้นจากความทุกข์พระพุทธเจ้าจึงทรงยนยันอย่างนั้นว่าพระองค์เกิดขึ้นในโลกนี้เพื่อประโยชน์แก่ม นี่อครู้กับรู้เรื่องนี้นํามาซ้อนแล้วกเป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มีหน้าที่ที่จะรู้เรื่องความดับทุกแล้วก็นมาปฏิบัติดับทุกใดแล้วก็ซ้อนผู้อื่นแล้วพรเหตุที่รู้ได้ยตนเองก็วืพระพุทธเจ้าหรือสมมาพระพุทธเจ้าแต่ทุกคนจะรู้โดยตนเองไม่ได้จึงมีองค์เดียวรู้ยตนเองก่อนแล้วก็สอนมารู้ตามรู้ตามตามไปทำให้รู้เป็นศาสนาขึ้นมาคือระบบการดับทุกข์นเป็นตัวศาสนาไม่ใช่บทวิหารเจดีย์วัดวาอารามอะไรวัตถุไอ้พิธีอะไร นี่คือเป็นตัวศาสนาเป็นตัวธรรมะเป็นตัวพระพุทธจะทําประสงค์อยู่ในการดับทุกข์ได้หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะมีความรู้ความเข้าใจมีความเชื่อมีความอะไรเพิ่มขึ้นอี ก, กพี่กองที่เราพูดมาแล้วปีก่อนๆเท่าไรมันก็รู้เท่านั้นปีนี้เพิ่มขึ้นมาเท่าไรมันก็ได้เพิ่มขึ้นมาอีกเท่านั้นก็เล้รับความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาจะได้ง่ายสะดวกในการปฏิบัติเพื่อดับทุกขได้โดยง่ายถ้าทําได้อย่างนี้นนก็ได้้นตรงตามความมุงหมายของการเป็นพุทธบริษัให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ้า น, า น, านกนะาี่อุตสาหาพิธี วิส า, า, า, า, า, า, าขาบูชาอาคารหาบูชามาถ้าบูชาได้วเป็นว่าการบรรยายท่านปี 3, น่ามนี่มันก็พอสงควรแก่เวลาแล้วจะต้องขอ ร, รื้อติการบรรยายโดยการฝากความหวังไว้กับท่านทั้งหลายว่าจะพยายามศึกษาขึ้นกว่าพิสูจน์ทดลองไม่เกิดการก้าวหน้าในการปฏิบัติไปดับทุกขง้องจนยิยืนขึ้นไปจนทุกๆคนเถิดทรมเทนาสมควรแก่เวลาเอวันก็มีฤทธิประกาศัชนี